เรื่องมีดสมเรื่อง183สมัยนั้นพวกภิกษุชาวเมืองอารวีช่วยกันทําการก่อสร้างภิกษุรูปหนึ่งอยู่ข้างล่างส่งมีดขึ้นไปมีดที่ภิกษุรูปที่อยู่ข้างบนรับไว้ไม่ดีพลัดตกลงบนศีรษะภิกษุรูปที่อยู่ข้างล่างถึงแก่มรณภาพภิกษุรูปที่ทําอยู่ข้างบน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 สมัยนั้นพวกภิกษุชาวเมืองอารวีช่วยกันทำการก่อสร้างภิกษุรูปหนึ่งอยู่ข้างล่างสรงมีดขึ้นไปภิกษุรูปที่อยู่ข้างบนมีความประสงค์จะฆ่าจึงปล่อยมีดลงบนศีรษะภิกษุรูปที่อยู่ข้างล่างถึงแก่มรณภาพภิกษุรูปที่ปล่อยมีดตกลงมาเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตปาราชิกหรือนอจึงนาเรื่องนี้ไปกลาบทูล พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จากฆ่าพระพุทธเจ้าข่าภิกษุเธอต้องอบัตปาราชิกวงเล็บเรื่องที่ย0สิบสมัยนั้นพวกภิกษุชาวเมืองอารวีช่วยคันทำการก่อสร้างภิกษุรูปหนึ่งอยู่ข้างล่างสรงมีดขึ้นไป ภิกษุรูปที่อยู่ข้างบนมีความประสงค์จะฆ่าจึงปล่อยมีดลงบนศีรษะของภิกษุรูปที่อยู่ข้างล่างแต่ภิกษุรูปที่อยู่ข้างล่างไม่ถึงแก่มรณภาพภิกษุรูปที่ปล่อยมีดตกลงมาเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตรปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกลาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไร าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จากค่าพระพุทธเจ้าฆ่าภิกษุเธอไม่ต้องอบัติปาราชิกแต่ต้องอบัติทุลใจวงเล็บเรื่องที่21